การขอการเอ่ยปากขอพิสุคือผู้มีปกติขอในคำพีวิสุที่มักตอนว่าด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาท่านอุปมาพระพิสุเหมือนคนกำพ้าอนาถาไร้ญาติขาดมิตรต้องเร่ร่อนพาเนจรไปเวลาเที่ยวบินทบาท เหมือนขอทานนุ่งผ้าปิดฝีห่มผ้าหอ่อศพขาดหน้าปะหลังเก่าๆปอนๆ อ, อุ้มบาดเสมือนถือกระเบื้องเก่าๆ เ, เที่ยวขอทานไปตามหมู่บ้านตามถนนหนทางมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นวันไหนเขาให้ทานก็อิ่มวันไหน เขาไม่ให้ทานก็อดไปพิจารณาดูแล้วก็น่าสลดสังเวชใจจริงๆพระพิสูจน์นี้ไม่ใช่ขอทานธรรมดาแต่เป็นขอทานที่เจ็บป่วยมีแผลเต็มตัวต้องการเพียงแค่อาหารยาและผ้าปิดแผลเพื่อประทังชีวิตให้พอเยียวยา อัตภาพให้เป็นไปได้เพื่อพยุงตนให้เดินข้ามพ้นจากทางธุระกันดารคือวัตตะสงสารเท่านั้นการเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาจึงต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความเรียบง่ายสันโดษมักน้อยทำตัวให้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายอย่าทำตัว เป็นคนขอจัดขอได้คือจะเอาสอบเพราะผู้ที่ขอมากย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ที่ถูกขอควรพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้มาและมีอยู่ควรทำตัวเหมือนนกมีบาทเป็นท้องมีจีวรเป็นปีก และหางกินผลไม้คืออาหารบินทบาทอิ่มแล้วโบกโบยบินไปตามที่ต้องการคือจาริกไปไม่ติดที่อยู่แต่ว่าในปัจจุบันนี้ชะไหนพระจึงเน้นการก่อสร้างเป็นหลักไม่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทั้งไม่ปฏิบัติ ได้แต่บอกบุญเรียรายเงินทองเป็นผู้ชำนิชำนานในการบําเพ็ญบุญข้อวัยาวัจจัยหม่เป็นพิเศษบุญข้ออื่อนมีศีลสมาธิภาวนาเป็นต้นท่านไม่ค่อยถนัดนักเมื่อเห็นหน้าญาติโยมผู้มีศรัทธาไม่ได้เป็นอันบอกบุญทันทีว่า โยมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินทอดผ้าป่าให้หน่อยช่วยเอาซองไปแจกให้หน่อยช่วยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพระเนนด้วยนะเป็นต้นจนโยมขยันหวาดกลัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่อยากเข้าวัดเพราะเข้าวัดทีไรเสียเงินทุกทีแทบจะหมดเนื้อหมดตัว จนเป็นเหตุทำให้ญาติโยมเบื่อวัดเบื่อพระขอจัดเลยหันหลังให้วัดหันหน้าเข้าวิกกันหมดแถมยังพูดประชดอีกว่าทำบุญสวนป่าไหว้วเจ้าดีกว่ากลับมายัางได้กินโยมบางคนถูกพระแจกซองผ้าป่าซองกระถิงนอย่างหนัก เห็นซองผ้าป่าและซองกะถินไม่ได้จะกลัวขึ้นมาทันทีแม้ตายไปเป็นผีแล้วก็ยังกลัวซองผ้าป่ากะถินดังมีเรื่องเล่าว่ายายเพี้ยนมีฐานะดีแต่ขี้เหนียวตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ชอบทาบุญสุนทานไม่ค่อยเข้าวัดเพราะเกียดหลวงพ่อที่วัด ชอบเรียไรชอบแจกซองแกโดนแจกซองจนขยาดเห็นซองเขาทีไรเป็นออกอาการตัวสัน่นตาค้างพอตายลงเป็นผีก็ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แถวนั้นเพราะห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติพัสถานวันหนึ่งผียายเพี้ยน เฮียนหนักได้เข้าสิงหลานสาวคนเล็กทำตาเหลือกแลบลิ้นปิ้นตาใส่คนที่อยู่บ้านหลังนั้นพวกเขากลัวกันก็เลยหาหมอผีมาไล่ให้หนีก็ไม่ได้ผลบอกว่ากูไม่หนีกูจะอยู่บ้านนี้บ้านนี้เป็นของกูผู้เป็นรูปเป็นหลานหมดปัญญา ไม่รู้จะทำอย่างไรวันนั้นบังเอิญหลวงพ่อที่วัดพิมพ์ซองผ้าป่ามาถุงใหญ่สั่งให้ทายกเอาไปแจกทุกบ้านพวกเราจะจัดภาาป่าสามคัคคีสมทบทุนสร้างโบสถ์กันทายกรับซองแล้วเดินออกจากวัดตรงไปที่บ้านใหญ่เพี้ยนพอดีเพราะอยู่ใกล้วัดที่สุด พอทายกขึ้นบ้านก็ร้องบอกคนในบ้านว่าผมมาแจกซองผ้าป่าครับเท่านั้นแหละผียายเพี้ยนที่สิงหลานสาวเห็นซองขาวประทับตาวัดและได้ยินว่าผ้าป่าถึงกับตัวสั่นตาค้างแล้วชี้ไปที่ทายกพูดว่าไอ้ถุยมึงพูดอะไรนะ ทายกทุยบอกว่าหลวงพ่อให้ผมมาแจกซองผ้ปาป่าครับเท่านั้นผียายเพี้ยนตะโกนเสียงดังลั่นบ้านว่ากูตายไปเป็นผีแล้วมึงยังตา ม, มาแจกซองผ้าป่ากูอีกหรือกูทั้งเกลียดทั้งกลัวไอ้ซองผ้าป่านี่กูไม่อยู่มันแล้วบ้านนี้กูไปแล้วโว้ยพอพูดจบก็ลุกพวด วิ่งเข้าไปในห้องล้มดังตึงแม่เด็กก็วิ่งไปอุ้มลูกเด็กลืมตาขึ้นพูดว่าแม่หนูหิวข้าวทายกก็วิ่งตามมาดูเด็กแล้วพูดว่าผีใ ย, ยเพี้ยนออกไปแล้วคงกลัวซองผ้าป่าสิท่าตั้งแต่นั้นมาเมื่อผีเข้าสิงใครทายกก็จะวิ่งเข้าวัดไปขอซองผ้าป่า ที่ประทับตาวัดเอามาแจกกันผีปรากฏว่าผีทุกตัวพอเห็นซองผ้าป่าเฮี้ยนไม่ออกเปิดแนบหนีจนป่าลาบทุกรายหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหซองผ้าป่านี้มีอนุภาพมากจริงๆไม่ใช่แต่คนเท่านั้นนะที่กลัวแม้ผีสางนางไม้ก็ยังกลัวเลย เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จอย่างไรไม่สําคัญแต่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างดีว่าคนขอจัดหรือพระขอจัดไม่ว่าใครๆแม้แต่ผีก็ยังไม่ชอบไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยหรือแม้แต่ลูกในใส้ถ้าเป็นคนขอจัดพ่อแม่ก็ยังเกียดชัง มูลเหตุการขอจัดเรื่องราวลักษณะเช่นนี้เคยเกิดในสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันซึ่งปรากฏอยู่ในพระวินัยปิดกมีเรื่องเล่าว่ามีพิสุกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองอาราวีบวชมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่ก่อสร้างทอดทิ้งธุระทั้งสองคือ คันถธุระและวิปัสนาธุระอันเป็นธุระสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนายกเอาการก่อสร้างนี้เท่านั้นเป็นธุระสำคัญสร้างกุดวิหารใหญ่โตไม่รู้จักเสร็จจึงต้องวิงวอนขอโยมอยู่ร่ำไปว่าพวกท่านจงให้บุรุษแรงงานโคเกวียน มีดขวานเป็นต้นชาวเมืองที่ถูกเบียดเบียนด้วยการวิงวอนด้วยการขอพอเห็นพวกพิสุก็พากันหวาดกลัวบ้างสะดุ้งบ้างหนีไปเสียบ้างเดินเลี่ยงไปเสียทางอื่นบ้างเมินหน้าเสียบ้างปิดประตูเสียบ้างเห็นแม่วัวก็รีบหนีนึกว่าเป็นพวกพระพิสุ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องทรงตำหนิติเตียนพวกพิสุชาวเมืองอารวีโดยอเนกปริยายแล้วทรงเล่าเรื่องลือสีสองพี่น้องตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลือสีสองพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคา ฤสีผู้น้องเจริญเมตตาเป็นประจำจึงเป็นที่รักใคร่ของพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำคงคานั้นพญานาคประดับแก้วมณีที่มีค่ามากไว้ที่คอสามารถอำหนวยสิ่งที่ปรารถนาได้ทุกอย่างขึ้นมาบนฝั่งแม่น้ำเนรมิตรเพศเป็นเทวดานั่งอยู่ในสํานัก ของฤาษีผู้น้องนั้นกล่าวสามโมทนียกถาคำพูดที่ทำให้เกิดความบันเทิงใจระเพศเทวดา น, นั้นแล้วกับกลายเป็นเพศพญานาคทำเป็นขนดวงล้อมฤาษีเจ็ดรอบเมื่อจะทำอาการเลื่อมใสชื่นชมจึงแผ่พังพานใหญ่บนศีรษะของฤาษีนั้น ดุดกั้นล่มไว้หยุดอยู่ชั่วคู่หนึ่งแล้วจึงหลีกไปเพราะความกลัวพญานาคนั้นฤาษีผู้น้องได้สู้ผอมมีผิวพันธ์ดำคำ้ำมีตัวสะพรั่งไปด้วยเอ็นฤาษีผู้พี่เห็นอาการดังนั้นจึงได้ถามว่าทำไมเธอจึงได้สู้ผอมอย่างนี้ ลือศีผู้น้องได้เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเธอไม่ต้องการให้พญานาคนั้นมาใช่ไหมครับเธอเห็นพญานาคนั้นมีอะไรบ้างผมเห็นมีแก้วมณีประดับอยู่ที่คอถ้าเช่นนั้นเธอจงขอแก้วมณีกับพญานาคนั้นว่า ท่านจงให้แก้วมณีแก่เราเราต้องการแก้วมณีเมื่อพญานาคขึ้นมาจากแม่น้ำเข้าไปหาฤาษีผู้น้องได้ยืนอยู่ใกล้ฤาษีได้ขอแก้วมณีกับพญานาคว่าท่านจงให้แก้วมณีแก่เราเราต้องการแก้วมณีพญานาคพึมพำออกมาเบาๆว่าฤาษีขอแก้วมณี ต้องการแก้วมณีแล้วรีบหนีไปครั้งที่สองพญานาคขึ้นจากแม่น้ำยืนอยู่แต่ไกลฤาษีเห็นก็ขอแก้วมณีอีกพญานาคได้ยินแล้วก็รีบหนีไปครั้งที่สามพญานาคกาลังโผล่ขึ้นจากแม่น้ำฤาษีเห็นก็ขอแก้วมณีอีกขณะนั้นพญานาค ได้พูดตอบฤาษีผู้น้องด้วยคาถาว่าข้าวน้ำที่ปณะนีชยิ่งมากมายเกิดแก่ข้าพเจ้าเพราะแก้วมณีดวงนี้ข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีนั้นแก่ท่านไม่ได้ท่านเป็นคนขอจัดข้าพเจ้าจะไม่มาอาสมของท่านอีกแล้วท่านขอแก้วมณีของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าสะดุ้งกลัวดังคนหนุ่มถือดาบที่รับคมดีแล้วจอกคอของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ให้แก้วมณีนั้นแก่ท่านซึ่งเป็นคนขอจัดข้าพเจ้าจะไม่มาอาสมของท่านอีกแล้วพญานาคได้หนีไปพร้อมบ่นออกมาเบาๆว่าฤาษีขอแก้วมณี ต้องการแก้วมณีตั้งแต่บัดนั้นพญานาคก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยต่อมาฤาษีผู้น้องได้ซูบผอมลงยิ่งกว่าเก่าเพราะไม่ได้เห็นพญานาคผู้น่าดูน่าชมนั้นฤาษีผู้พี่ได้เห็นอาการนั้นจึงได้ถามดูว่าทำไมเธอ จึงได้สู้ผอมลงกว่าเก่าฤาษีผู้น้องตอบว่าเพราะไม่ได้เห็นพญานาคฤาษีผู้พี่จึงได้พูดกับฤาษีผู้น้องด้วยคาถาว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขาไม่ควรขอสิ่งนั้นคนเป็นที่เกียรติชังก็เพราะขอจัด พญานาคถูกลือศีขอแก้วมณีจึงไม่มาให้ลือศีนั้นเห็นหน้าอีกเลยดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายการวิงวอนการขอไม่เป็นที่พอใจของสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นแล้วไม่จำเป็นต้องพูดถึงพวกมนุษย์เลยแล้วทรงตัดเล่าเรื่องรัฐบาลกุลบุตรต่อไปอีกว่า ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วบิดาของรัฐบาลกุณบุตรได้ถามรัฐบาลกุณบุตรผู้เป็นลูกชายว่าพ่อรัฐบาลเอ๋ยคนเป็นอันมากได้พากันมาอ้อนวอนขอพ่อพ่อไม่รู้จักคนเหล่านั้นเลยทำไมลูกจริงไม่ขอพ่อเลยรัฐบาลกุณระบุตร พูดตอบพ่อว่าคนผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอฝ่ายคนผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ขอเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ขอพ่อขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นที่เกียรติชังของพ่อเลยดูกนพิสุทั้งหลายโภคะสมบัติของค้รหัน รวบรวมได้ยากแม้ได้มาแล้วก็ยังยากที่จะตามรักษาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อโภคัสมบัตินั้นพวกครืหัดรวบรวมได้ยากแม้เขาได้มาแล้วก็ยังยากที่จะตามรักษาอย่างนี้พวกเธอได้มีการวิงวอนมีการขอเขาบ่อยครั้งหลาคาวว่า ขอพวกท่านจงให้คนให้แรงงานให้โคให้เกวียนเป็นต้นฉะนั้นผู้ขอจัดจึงเป็นที่เกียรติชังของผู้ถูกขอผู้ถูกขอจะเป็นสัตว์ก็ตามจะเป็นคนก็ตามมีความเกียรติชังผู้ขอจัดเหมือนกันพระขอปัจจัยสี่ที่มีโทษ พระจะขอปัจจัยสี่คือจีวร อ, อาหารบินทบาทเสนาสนะและยารักษาโรค ก, กับคารวาดผู้ไม่ได้เป็นญาติและผู้ไม่ได้ปราวรณาไว้เป็นอาบัติพระจะขอผ้าสบงจีวรหรือสังคติผืนใดผืนหนึ่งกับคนทั่วไป ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปาวรนาต้องอาบัตินิสักคียะปาจิตตีเว้นแต่คราวมีเหตุจำเป็นเท่านั้นเช่นโจรชิงเอาผ้าไปผ้าเก่าชำรุดเสียหายใช้ไม่ได้ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าพิสุดใดขอผ้าจีวอนกับพ่อบ้านก็ดี แม่บ้านก็ดีผู้ที่มิได้เป็นญาติยกเว้นแต่ขอในสมัยที่สมควรต้องอาบัตินิสักขียะปาจิตตีในการขอนั้นมีสมัยดังนี้คือพิสุถูกชิงผ้าไปหรือเป็นผู้มีจีวรเสียหายใช้ไม่ได้นี้เป็นสมัยในการขอผ้านั้น พระถ้าไม่ได้เป็นไข้ขออาหารบินธบาสมาฉันเองไม่ต้องอาบัตปาจิตตีแต่ต้องอาบัตทุกกฏเพราะขอแกงและข้าวสุกอย่างเดียวในเสขียวัตรท่านแสดงไว้ว่าพิสุขอโภชนะดีล้วนๆมีเนยใสเป็นต้นมาฉันไม่ต้องอาบัต ปาจิตตีแต่ต้องอาบัตทุกกฎเพราะขอแกงและเข้าสุกในเสขียวัตรแต่พิสุผู้ขอโพชนะที่ดีที่ละคนกับเข้าสุมาฉันบัณฑิตพึงทราบว่าต้องอาบัตปาจิตตีในเสขียวัตรมีความว่าพิสุพึงทําความศึกษาว่า เราไม่อาพาธจะไม่ขอแกงก็ดีข้าวก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ตนมาชันพระไม่ได้ป่วยไข้จะขอแกงและเข้าสุกเพื่อตนเองมาชันต้องอาบัตทุกกฎท่านแสดงไว้ว่าพิสุไม่อาพาธไม่พึงขอแกงหรือเข้าสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาชัน พิสุตใดไม่เอื้อเฟื้อมิใช่ผู้อาพาธขอแกงก็ดีข้าวสุกก็ดีเพื่อประโยชน์ตนมาฉันต้องอาบัตทุกกดการขออาหารปนีตโภชนะคือโภชนะข้าวที่เกิดจากธัญชาตเจ็ดชนิด มีข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวรมามันข้าวฟ่างลูกเดือยยากับแก่ยากข้าวนกอันละคนด้วยของประนีดก้าอย่างคือในใสในคน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดและนมส้ม ชื่อว่าโภชนะปราณีตเมื่อพระขอว่าโยมจงให้เข้ากับในใสจงลาดในใสให้จงทำให้ละคนกับในใสแล้วให้จงให้ในใสและข้าวดังนี้ต้องอาบัดทุกกฎเพราะออกปากขอ เป็นทุกข์กฎเพราะรับประเคนเป็นปาจิตตีเพราะกืนกินเมื่อโยมไม่ได้ปาวรณาไว้ก่อนพระไม่ได้เป็นไข้ออกปากขอว่าโยมอัตมาขอเข้าผัดเนื้อเข้ามันไก่อย่างละจานอย่างนี้ก็ต้องอาบัต ด, ดังที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงไว้ว่าโภชนะที่เจือด้วยอาหารประนีตเหล่าใดมีอยู่ของประนีตนั้นได้แก่ในใสในคข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดและนสมส้มพิสุรูปใดไม่ใช่ผู้อาพาธขอเพื่อประโยชน์แก่ตนเป็นทุกกฎ ในประโยคที่ขอได้ของนั้นมารับประเคนด้วยตั้งใจว่าจากฉันต้องอาบัตทุกกฎขณะกืนต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกคำากืนพิสุผู้ขอโพชนะดีที่ระคนกับเข้าสุมาฉันพึงทราบว่าต้องอาบัตปาจิตตีการออกปาก ขอย่อมไม่ควรในปัจจัยทั้งสองคือจีวรและบินทบาตโดยประการทุกอย่างการขอเสนาสะนะพระจะเอ่ยปากขอโดยตรงกับโยมที่ไม่ได้เป็นญาติหรือไม่ได้ปาวรนาให้สร้างเสนาสะนะที่อยู่อาศัยมีกุตติ วิหารเป็นต้นไม่ได้เช่นกันแต่ถ้าพูดขอโดยอ้อมๆเช่นว่าพระต้องการอุโบสถหอฉันและกุฏิเป็นต้นควรพูดเรียงๆเป็นในๆเป็นต้นว่าการสร้างอุโบสถหอฉันกุฏิเป็นต้นตรงนี้ดูแล้วเหมาะสมอย่างมาก อย่างนี้เรียกว่าปริกกาถาคือการพูดโดยอ้อมค้อมหรือพระถามโยมว่าอุบาสกพวกท่านอยู่เรือนอะไรเมื่อเขาตอบว่าจยุดตึกครับพูดต่อไปว่าอุบาสกตึกไม่ควรแก่พระทั้งหลายหรือหรือพูดว่าเสนาสนะ ของสงฆคับแคบไม่พออยู่กันดังนี้ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าโอภาษคือการพูดแย้มความประสงค์หรือพระเห็นพวกชาวบ้านมาแล้วทำนิมิตหมายให้ดูให้เขารู้เองเช่นช่วยกันขึงเชือกตอกหลักเมื่อพวกชาวบ้านถามว่านี้พระคุณเจ้าจะทำอะไรกันครับ ตอบเขาว่าพวกอัตมาจะสร้างที่อยู่อาศัยอย่างนี้เรียกว่านิมิตรกรรมคือการทำนิมิตหมายด้วยคำพูดและการกระทามีประมาณเท่านี้โยมก็จะทราบได้ว่าพระต้องการที่อยู่เขามาสร้างให้สมควรอยู่ไม่ต้องอาบัต ด, ดังท่านแสดงไว้ว่า ในเสนาสนะปัจจัยเพียงแต่ออกปากขอว่าท่านจงนำมาจงให้เท่านั้นไม่ควรปริกถาโอภาษและนิมิตกรรมควรอยู่พระจะสร้างกุฏิวิหารเองสามารถขอแรงงานชาวบ้านตรงๆได้และวัตถุสิ่งของที่เขาถวายแทนแรงงานนั้น รับได้ทั้งหมดไม่มีโทษเว้นแต่ ง, งานส่วนตัวการฆ่าสัตว์ของพวกพานเนื้อและชาวประมงเพราะพิสุไปขอแรงงานกับพานเนื้อหรือชาวประมงพวกเขาเข้าใจว่าพิสุมาขอเนื้อและปลาจึงทำการฆ่าสัตว์เหล่านั้นไปถวายดังที่ท่านแสดงไว้ว่าหัตถกรรมนั้น เว้นการงานส่วนตัวของพวกพันเนื้อและชาวประมงเป็นต้นที่เหลือเป็นกับปียะทั้งหมดเมื่อเขาถามว่าท่านมาทำไมครับมีการงานที่ใครต้องทำหรือหรือว่าไม่ถามจะขอก็ควรไม่มีโทษเพราะการขอเป็นปัจจัยถ้าพระขอญาต หรือโยมปวารณาให้สร้างกุติเป็นต้นไม่มีโทษไม่เป็นอาบัติแต่ควรรู้จักประมาณในการขออย่าขอมากจนทำให้โยมลำบากใจการขอยารักษาโรคพระไม่ได้ป่วยไข้จะขอยารักษาโรค ก, กับคนไม่ได้เป็นญาติไม่ได้ปวารณาไว้ต้องอาบัติและ ยินดีการปาวรนายารักษาโรคได้ตามระยะเวลาที่ปาวรนาเท่านั้นถ้ายินดีเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีถ้าหากไม่ได้เจ็บป่วยฉันยาโดยปราศจากเหตุคือไม่ได้อาพาธถ้าฉันต้องอาบัตทุกกฎดังที่ตรัสไว้ว่าพิสุผู้ไม่อาพาธควรยินดี การปาวรณาด้วยปัจจัยเภสัตชได้ตลอดสี่เดือนเว้นแต่มีการปาวรณาซ้ําอีกและเว้นแต่เป็นการปาวรณาตลอดชีวิตหากพิสูจยินดีเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีอธิบายคําว่าตลอดสี่เดือนเป็นต้นนั้นพระพุทธองค์ตัดไว้ด้วยสามารถแห่งเรื่องที่เกิดขึ้น ถ้าเขาปวาณากำหนดเวลามากหรือน้อยกว่าสี่เดือนก็ควรยินดีตามระยะเวลานั้นพิสูจน์ทั้งหลายเราอันิญาตมูลเภสัชคือขมิน้นขิงว่านน้ำว่านเปร่า อ, อุตจพิษขา่าแฝกแ้วหมู ก็หรือมุลเภสัตแม้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ไม่สำเร็จประโยชน์ในของควรเคี้ยวที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภครับประเคนบุญละเภสัตเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีวิตต่อเมื่อมีเหตุเจ็บป่วยจึงให้บริโภคได้เมื่อไม่มีเหตุไม่เจ็บป่วย พิสุบริโภคต้องอาบัตทุกกฎแม้สมณะบริขารและสิ่งที่จำเป็นนอกจากปัจจัยสี่พระจะขอกับคนที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้ปาวรณาไว้ต้องอาบัตพระขอปัจจัยสี่ที่ไม่มีโทษการออกปากขอปัจจัยสี่กับโยมที่ไม่ได้เป็นญาติ และไม่ได้ปาวรนาไว้ก็มีโทษแต่ถ้ารู้จักขอตามวิธีที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้คือขอในข่าวเมื่อมีเหตุจำเป็นป่วยไข้หรือขอกับญาติและโยมปาวรนาเหล่านี้ก็ไม่มีโทษแต่อย่างใดขอจีวอน พระถูกพวกพระราชาก็ดีพวกโจรก็ดีพวกนักเลงก็ดีพวกใดพวกหนึ่งชิงเอาจีวรไปหรือจีวรถูกไฟไหม้ก็ดีน้าพัดไปก็ดีหนูหรือปวกกัดก็ดีเก่ามากเพราะใช้มานานก็ดีสามารถขอจีวร กับคนที่ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่ปาวรณาไว้ไม่ต้องอาบัตแต่มีข้อแม้ดังนี้จีวรหายสามผืนยินดีขอได้สองผืนจีวรหายสองผืนยินดีขอได้หนึ่งผืนจีวรหายหนึ่งผืนยินดี ขอไม่ได้เลยถ้าขอมาได้มากกว่านั้นเป็นอาบัตทุกกฎในประโยคที่ยินดีเกินกำหนดต้องนิกสักขีได้จีวรมาแล้วต้องสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลตามปกติพระจะขอจีวรหลายผืนกับญาติและคนปาวรนาได้ไม่ต้องอาบัต ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าตามปกตินั่นแหละพิสุจะขอจีวรแม้มากในที่แห่งญาติและปาวรนาก็ควรขออาหารบินทบาทพระจะขออาหารบินทบาทกับใครด้วยกายคือด้วยอาการยืนนิ่งแต่ต้องยืนกำหนด พิจารนาว่าโยมประสงค์จะถวายอาหารหรือไม่ก็ตัวเขาพักการงานของตนลุกจากที่นั่งจับทั พ, พีหรือจับภาชนะหรือตั้งเตรียมเอาไว้ก็ควรยืนด้วยคิดว่าเขาประสงค์จะถวายเมื่อเขาถวายอาหารพระก็แหวกผ้าจีวรซ้อนด้วยมือซ้ายน้อมบาต เข้าไปด้วยมือขวาแล้วใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับอาหารและไม่ควรมองดูหน้าโยมผู้ถวายอาหารโดยที่สุดแม้แต่สามเณรผู้ถวายอาหารในโรงฉันก็ไม่ควรมองหน้าเป็นอาบัตทุกกฎเหมือนกันพระ จะออกปากขออาหารบินธบาตกับญาติหรือโยมปาวรนาได้ไม่มีโทษจะขอเพื่อประโยชน์ตนเองหรือขอเพื่อประโยชน์แก่พระรูปอื่นก็ไม่เป็นอาบัติดังที่ท่านแสดงไว้ว่าไม่เป็นอาบัติแก่พิสุผู้ขอกับญาติและโยมที่ปาวรนาไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองอย่างเดียวหามิได้ โดยที่แท้ขอเพื่อประโยชน์แก่พิสูจอื่นก็ไม่เป็นอาบัติพระป่วยไขย้ขออาหารปราณีตได้ไม่ต้องอาบัติดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าโภชนะที่เจือด้วยของปราณีตเหล่าใดมีอยู่ของปราณีตนั้นได้แก่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้ง น้ำอ้อยนมสดและนมสม้มพิสุรรูปใดไม่ใช่ผู้อาพาธขอโพชนาะที่เจือด้วยของปราณีดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันต้องอาบัตปาจิตตีพระป่วยไข้ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อตนมาฉันได้ไม่ต้องอาบัต ด, ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายเราอันิญาตให้พิสุจอาพาธขอแกงก็ดีเข้าสุกก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันได้ขอยารักษาโรคพระป่วยไข้ขอยารักษาโร ค, ร ไ, รโรคได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่โรคยังไม่หาย ไม่ว่าจะขอจากใครๆจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามเป็นโยมปวารณาหรือไม่ก็ตามขอได้ทั้งหมดไม่เป็นอาบัติแต่เมื่อหายป่วยไข้แล้วยาที่เหลือไม่ควรฉันอีกต่อไปดังที่ท่านแสดงไว้ว่าคีราณะปัจจัยารักษาโรคแม้จะออกปากขอตรงๆก็ควร ไม่จำเป็นต้องถึงการพูดอ้อมๆเป็นต้นเลยพระไม่ได้เจ็บป่วยแต่ขอยารักษาโรคกับโยมที่เป็นญาติและปาวรนาก็ไม่ต้องอาบัตเหมือนกันดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าพิสุผู้ไม่ได้เจ็บป่วยยินดีการปาวรนาด้วยปัจจัยเพสัต์ได้ตลอดสี่เดือนเท่านั้น ยกเว้นมีการเปารวรณาซ้ำหรือปารวรณาตลอดชีวิตหากยินดีเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีพระขอขึ้นรถโดยสารไม่สมควรพระออกปากขอขึ้นรถโดยสารประจำทางกับโยมที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เปรารวรณา เป็นวินยัตการออกปากขอไม่สมควรแต่ถ้าขอด้วยกายเช่นว่าไปยืนอยู่นิ่งๆตามบาขอขสอตามปั๊มน้ำมันป้อมตำรวจถ้าโยมเขาถามว่าท่านจะไปไหนครับก็ตอบว่าอัตมาจะไปธุระที่กรุงเทพหรือที่ต่างจังหวัดโยมเขานิมนต์ขึ้นรถ บอกโยมว่าอัตมาไม่มีเงินโยมพูดว่าไม่เป็นไรผมทำบุญครับก็ขึ้นรถไปกับโยมอย่างนี้สมควรพระพิสุเป็นผู้สละละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่ควรเป็นคนมกักมากในปัจจัยแม้ได้นามว่าพิสุคือผู้ขอโดยปกติ ไม่ใช่พบเห็นใครก็จะขอร่ำไปขอไม่รู้จักพอเป็นคนขอจัดเพราะว่าผู้ขอมักจะเป็นที่เกียจชังของผู้ถูกขอเสมอแม้รูปผู้ชอบขอก็ไม่เป็นที่รักของพ่อแม่เหมือนกันคงไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยเป็นพระพิสุหักขอปั จ, จัจสี่ไม่ถูกต้อง คือไม่รู้จักวิธีขอก็จะมีโทษถ้าขออย่างรู้วิธีตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้คือขอเมื่อข่าวมีเหตุจำเป็นเช่นเวลาเจ็บป่วยเป็นต้นขอกับญาติหรือโยมปวารณาขอได้ไม่มีโทษจากการต้องอาบัติสมณบริขารมีบาท ร่มรองเท้าเป็นต้นและสิ่งของที่จำเป็นนอกจากปัจจัยสี่เช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ผงซักฟอกเครื่องเขียนหนังสือธรรมะที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นต้นเหล่านี้พระจะขอกับคนทั่วไปไม่ได้เป็นอาบัติจะต้องขอกับคน ที่เป็นญาติหรือโยมปาวรนาเท่านั้นญาติชนที่เนื่องกันทั้งหมดชื่อว่าญาติเพราะมีความหมายว่ารู้จักกันญาติคือคนที่เนื่องถึงกันทั้งแม่ก็ดีทั้งพ่อก็ดีตลอดเจ็ดชั่วอายุของบุพชนเจ็ดชั่วโคต พระจะขอปัจจัยสี่สมณบริคารและสิ่งของที่จำเป็นมีสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกเป็นต้นกับพ่อแม่และญาติสายโรหิตเหล่านั้นได้ไม่ต้องอาบัดดังที่ท่านแสดงไว้ว่าเมื่อพิสุใช้ให้ญาตินำจตุ ป, ปัจจัย มาตราเท่าจนถึงเจ็ดชั่วเคือสกุลโดยสืบสืบกันมาแห่งบุตรของญาติสิบจำพวกมีพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงลุงป้าน้าชายน้าหญิงอาชายอาหญิงเหล่านั้นไม่เป็นการทำวินยัต คือออกปากขอได้เมื่อทำเภสั์แก่ชนเหล่านั้นก็ไม่เป็นเวชกรรมทำยาให้ได้หรือไม่เป็นอาบัตเพราะปทุสร้ายสกุลถ้าพระรูปใดที่อยู่ใกล้พ่อแม่และญาติความขัดสนด้วยปัจจัยสี่สมณะบริคารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆจะไม่มี เพราะมีพ่อแม่และญาติคอยอุปถรัรมม์อยู่ขาดเหลืออะไรก็ขอได้แต่พระเหล่านี้จะเรียนพระธรรมวินัยไม่ค่อยสะดวกไม่มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนเพราะถูกรบกวนจากพ่อแม่ญาติและเพื่อนชายเพื่อนหญิงอยู่เนืองเนืองจนเป็นเหตุให้บวชอยู่ในศาสนา ไม่ได้นานมีอันต้องศึกไปส่วนพระที่บวชอยู่ได้นานๆและมีความรู้ด้านธรรมวินัยดีโดยมากแล้วท่านจะไม่อยู่ในถิ่นของตัวเองจะหนีจากถิ่นของตัวเองไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปให้ไกลหูไกลตาพ่อแม่ญาติและเพื่อนฝูงเหล่านั้น นานทีปีหนคิดถึงเมื่อไรจึงกลับไปเยี่ยมสักครั้งการจากถิ่นไปไกลๆก็มีปัญหามากเหมือนกันขาดคนอุปถัมภ์คำชูเกี่ยวกับปัจจัยสี่เป็นต้นแต่ก็ยังมีโยมกลุ่มหนึ่งที่พอจะขอได้คือโยมปาวรนานั่นเองปาวรนา ปาวรณาคือการบอกนิมนต์หรืออนุญาตให้ขอโยมปรวรณาคือโยมผู้มีศรัทธาอนุญาตให้พระขอปัจจัยสี่และสิ่งของที่สมควรแก่สมณะได้ปาวรณามีสองคือ 1. ปาวรณาปัจจัยแก่สง ควรขอได้แต่พอประมาณเท่านั้น 2. ปรวรณาปัจจัยเฉพาะบุคคลขอได้เฉพาะสิ่งของที่เขาปรวรณาโยมปรวรณาถ้าโยมกำหนดวัตถุเช่นปัจจัยสี่พระขอนอกจากปัจจัยสี่ต้องอาบัต ถ้าโยมกำหนดการเช่นสี่เดือนพระขอเกินสี่เดือนขึ้นไปต้องอาบัติถ้าโยมกำหนดวัตถุและการเช่นปัจจัยสี่ระยะเวลาสี่เดือนพระขอเกินวัตถุเกินการต้องอาบัติโยมมีศรัทธามีความประสงค์จะอุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่หรือเฉพาะ พระบางรูปก็ปาวรนาไปตามศรัท ธ, ธาแต่ต้องระวังจปะปาวรนาพระรูปไหนดูให้ละเอียดก่อนเพราะพระบางรูปเป็นพระมกักมากในปัจจัยเป็นพระขอจัดขอจนโยมแทบหมดเนื้อหมดตัวไปก็มีเช่นพระขอพระไตปิดกที่ประกอบด้วยอัถกถาหนึ่งชุด ราคาสองหมื่นบาทขอตั๋วเครื่องบินไปกับอินเดียและลาค่าทัวร์ราคาห้าหมื่นบาทขอโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์พัดลมและตู้เย็นเป็นต้นโยมฐานะไม่ค่อยดีต้องลำบากแต่ถ้าโยมฐานะดีก็ไม่เป็นไรถือว่าเล็กน้อย ทางที่ดีโยมควรเปาวรณาแบบกำหนดวัตถุมูลค่าและเวลาด้วยเช่นโยมเปวาวรณาไตจีวอนเป็นมูลค่า500บาทระยะเวลา4เดือนเป็นต้นเมื่อหมดเวลาแล้วอยากจะเปาวรณาต่อจึงค่อยต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้โยมจะไม่เดือดร้อนมากโยมควรดูความสามารถของตัวเองเป็นหลักอย่าเอาแต่ศรัทธาเป็นหลักจะทำให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนในภายหลังส่วนพระพิสุเมื่อมีโยมมาปวาวรณาให้ขอปัจจัยสี่เป็นต้นควรพิจารณาดูกำลังทรั์ และกำลังศรัทธาของโยมด้วยถึงแม้จะขอปัจใจอันชอบด้วยพระธรรมวินัยก็ตามทีดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงวัตถุอันไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยเลยโยมปาวะลานาสองจำพวกคือหนึ่ง โยมปาวรนาบางคนไม่ควรขอคือปาวรนาด้วยปัจจสี่แล้วก็ถวายจีวรตามการอันสมควรอยู่แล้วถวายอาหารบินทบาทเป็นประจำทุกวันโยมปาวรนาจำพวกนี้ไม่ควรขอ 2. โยมปาวรนาที่ควรขอคือ ปาวลนาด้วยปัจจัยสี่แล้วไม่ถวายอะไรเลยจะเป็นเพราะไม่ฉลาดหรือว่าหลงลืมสติไปไม่ได้มาดูแลอุปถัมภ์เลยอาจเป็นเพราะการงานของขา้ารือหัสมีมากจนรัดตัวโยมปาวลนาจำพวกนี้พิสุจะขอเพื่อให้เขาได้สติบ้างก็ควร ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าคนใดปรวรณาด้วยปัจจัยสี่กำหนดไว้เองแล้วถวายสิ่งของที่ต้องการโดยอาการอย่างนี้คือถวายจีวรสมควรแก่การถวายอาหารมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นทุกๆวันกิจที่จะต้องออกปากขอกับคนเช่นนั้นไม่มี ส่วนบุคคลใดปาวรณาแล้วไม่ถวายเพราะเป็นคนไม่ฉลาดหรือเพราะหลงลืมสติบุคคลนั้นพิสุควรขอพระจะขอกับญาติและคนปาวรณาของตนเพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์แก่พิสุรูปอื่นก็ไม่เป็นอาบัติตัวอย่างการใช้คำปวาวรณา ส่วนโยมศรัทธาพระรูปใดก็เข้าไปหาท่านรูปนั้นแล้วพูดว่าข้าพเจ้าขอปาวรณาท่านด้วยปัจจัยสี่และสิ่งของอันสมควรแก่สมณะบริโภคเป็นมูลค่าเท่านี้บาทระยะเวลาเท่านี้เดือนถ้าท่านประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เกินจำนวนที่กำหนดนี้ โปรดบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถวายสิ่งนั้นหรือพูดสั้นๆว่าโยมขอปาวรนาสิ่งของที่สมควรมีมูลค่าเป็นจำนวนเท่านี้บาทถ้าท่านต้องการสิ่งใดขอให้บอกกับโยมสำหรับพระเวลาขอสิ่งของที่โยมปาวรนาไว้ก็ต้องขอตามที่โยมปาวรนาไว้เท่านั้น ขอเกินไม่ได้ต้องอาบัต ด, ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าในการปาวรนาเฉพาะบุคคลควรขอแต่เฉพาะสิ่งของที่เขาปาวรนาเท่านั้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระบางรูปไปอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดห่างญาติขาดมิตรแต่ถ้ามีโยมปาวรนาช่วยอุปถรรัม ขำชูด้วยปัจจัยที่สมควรแก่สมณะแล้วก็คงเบาใจไม่น้อยไม่ต้องกังวลกับเรื่องเหล่านี้อีกจะได้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยรักษาพระวินัยและปฏิบัติธรรมสืบไปถ้าไม่มีโยมปาวรณาเลยปล่อยให้พระอยู่อย่างฝืดเคืองลำบากด้วยปัจจัยสี่ วันหนึ่งความอดทนของท่านหมดลงหนีไปอยู่ที่อื่นหรือว่าสึกไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนับวันจะหาพระที่สนใจใฝ่เรียนพระธรรมวินยัยและรักษาพระวินัยยากมากขึ้นถ้าโยมไม่ช่วยกันส่งเสริมพระเหล่านี้อีกไม่นานคงหมดไป คงเหลือแต่เฉพาะพระที่ไม่เคร่งครัดพระธรรมวินยัยให้โยมกราบไหว้บูชาพอถึงวันนั้นคงพูดได้คำเดียวว่าเสียใจ